เรื่องอธิมุตกะสามเณรต่อมาเมื่อสังกิจจะสามเณร อ, อายุครบยี่สิบได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบสิบเป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตกะสามเณรเมื่อสามเณร อ, อ, อายุครบยี่สิบปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังกิต จ, จะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่า อายุครบ2ี่สิบปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตตะสามเณรออกเดินทางไปหายโยมานดาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนเกิดความเลื่อมสายปล่อยไปแต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไป พบมาดาบิดาเดินสวนทางมาก็มายอมบอกมาดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวนว่าสามเณรอธิมตักะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในขนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งปวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัตวจระอย่างหนักแน่นเกิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอปันทชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีโจรมาหาพระสังกิต จ, จัก และเฝ้าพระาศาสดาโดยลําดับพระาศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาสิทว่าผู้ใดทุศีนมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทํานองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณรห้าร้อยของพระสังคี จ, จักนั่นแหล ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตยโยจะวัสสตังชีเวรูปปัญโยอาสมาหิโตเอกาหั่งชีวิตังแทโยปัญญาวันตัสะชายิโนแปลกว่ า, วาผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีชาญแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า อธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า wisdom หรือ intellect ไม่ใช่ knowledge คำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็มี เช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทาเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคำว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intellectual นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทาต่างๆคือไม่ทำอะไรตามอารมณ์อันขาดกับเหตุผล ผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดตำ่ำไม่มีเหตุผลในการทำการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่มีความสานึกรับผิดชอบต่อสังคมทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคาสัตว์ดิบฉาขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้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 เหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้สามประการคือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตะมยปัญญาหนึ่งเกิดจากการคิดจินตามยปัญญาหนึ่งเกิดจากการอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญาหนึ่งปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กําเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภาพภาษาอังกฤษว่า i n t e l l i g e n c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 เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปราบรบ พ, พระขานุโอลทันยะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปทำความเพียรในป่าจนได้มรุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศาสดาทรงทราบท่านเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะลงพักแห่งหนึ่งนั่งเขาช้านอยู่ ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้ทรัพย์แล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกำลังของตนนำไปเมื่อเน็ดเหนื่อยต้องการพักเข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งข่าชันอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศรีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไป รุ่งขึ้นเวลารุ่งอรุณกว้าหอกของตนได้เห็นพระเถระแล้วทาท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอักมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพจิตหาใช่อักมนุษย์ไม่โจรทั้งหมดหมอบลงแทบเท้าพระเถระขอให้ท่านอดโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนาเข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงกระทาเช่นนั้นโจรทั้งหมดขอบทในสนาของท่าน เพราะความเลื่อมใสในอนุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระศาสดาพิสูจน์เหล่านั้นทูลพระศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอนุภาพเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่ไม่เพียงวันเดียวของพวกเธอผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาเช่นนี้ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไร้ปัญญาพระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่า โยจะวัสสะสตังยีเวเป็นอาทิมีนยะดังพณ น, นามาแล้วแต่ต้น